FM 89.5 ็มแสเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีเขาเชิญเฝ้าทูลละอองประบาทรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี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 จบไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงของครูแอนนันทนาบุญหลงเพลงคิดไม่ถึงนะครับ เ, เป็นอัลบั้มแรกของของคุณดันทนาบุญหลงที่วางขายเมื่อปี2534กับกับอัลบั้มชุดออแอนนันทนาหัวใจข้างขวานะครับครับก็ สำหรับวันนี้ผมชวัสธิต์อนทัศน์ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศของการวางแผงของอวางขายวางวางขายระบั้มที่เรียกว่าเทปกันในสมัยก่อนนะคะไม่รู้ว่าน้องๆหรือว่าคนฟังในยุคนี้จะรู้จักกันไหมก็คือ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 สำหรับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงเรื่องของบรรยากาศที่เทปของเซลปินแต่ละคนที่เราเรอคอยในยวางตลาดในวันแรกนะครับก็จำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ ถ้าเป็นรุ่นพอลลูมแมทเขาจะมีเทปของคุณดาวใจภัยจิตของคุณชลินนันธนาครคุณธานินอินทระเทพคุณเศรษฐาศิราชาัยยาซึ่งก่อนนอนเนี่ยที่บ้านคุณพอแมทเขต้องเปิดให้ฟังก็ทำให้เราได้ซึมซับเสียงเพลงแล้วก็คุ้นเคยกับตลับเทปมาตั้งเด็กๆนะฮะอพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ที่เราเริ่มาสามารถเก็บตังค์ที่จะซื้อเทปเองได้เนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นอยู่ประมาณป .5 ป .6 ผมผมซื้อเทปชุดแรก ก็คือเป็นชุดนันธิดา27กับกับชุดฉันเป็นฉันเองของของพี่แหวนทิติมานะฮะจำได้ว่าตอนนั้นได้ค่าขนมไปโรงเรียน5บาท10บาทมั้งฮะก็เก็บหยอนกระปุกวันละนิดวันละหน่อยจนปกเทปสมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่ประมาณ65บาท70บาทครับก็พอถึงพอยอดยอดเงินที่เราเก็บเนี่ยได้ได้ถึงได้พอดีกับราคาค่าเทปแล้วก็ วิ่งไปที่้านเทปตอนนั้นกำเงินไปประมาณ120ะะบวิ่งไปที่ลานเทปที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ น, นะฮะก็ เ, เหมือนกับเงินมันขาดไปนิดนึงแล้วก็ขอต่อด้วยชำได้ตอนนั้นทางเจ้าของร้านเขาใจดีเห็นเป็นเด็กก็ลดให้หน่อยนึงก็เป็นเทปสองโมลแรกในชีวิตที่ซื้อเองนะฮะครับการที่ศิล ป, ปิน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 ไปอุนหนุนกันทั้งวันเลยแล้วก็นักร้องแต่ละคนหรือวงดนตรีไหนที่จะออกอัลบั้มใหม่เนี่ยจะมาเปิดตัวจะมายืนขายจะมาโปรโมทที่ร้านสองร้านนี้เป็นหลักๆนะฮะครับมสมัยนั้นถ้าถ้าเกิดเอ่อใครใครยังทันนอกจากเทป ที่เราต้องพกติดตัวเนี่ยเราต้องพกเสาเบล์ด้วยนะฮะเสาเบล์ก็คือการเป็นเครื่องเล่นวิทยุขนาดพกพาแล้วก็เราสามารถหยิบไปฟังบนรถรถเมล์รถประจําทางหรือรถส่วนตัวหรือเวลาเดินเราก็ฟังได้น ะ, ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะต้องมีทั้งเสาเบล์จะต้องมีทั้ ง, ทงเทป พ, พกติดตัวกันไปถ้าส่วนใหญ่นะฮะครับช่วงที่ผมเรียนอยู่ไทยวิจิตไทยวิจิตสินนะฮะก็จะมีเพื่อน เ, อนเอนที่ฟังเพลง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 ว่า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 นอกจากนั้นก็ยังมีร้าน Solar h ฮ u ส์ที่มาบงครองมีร้านเจไดที่เดอะมอบางกปิ api, นะครับแล้วก็ร้านอร่อยหูที่อินพีเรียนสำโรงแล้วก็ร้านแผงเทปที่ที่มีขายทั้งตามย่านทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสะพานควายหรือว่าแถาาวเยา ว, ายางวาลงเยาวราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโหเรียกได้ว่าวงการเพลงอะ่ะได้รับการตอรับที่ดีเพราะฉะนั้นร้านขายเทปเนี่ย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 จำได้ว่าปี2533วันที่5กันยายนอัลบั้มฮันนี่ของพีฮนี่พัชรอนรุญเกียรติวางตลาดเป็นวันแรกนะฮะก็จำได้ว่ามีโปสเตอร์เปิดตัวเนี่ยเป็นเป็ น, ปนยังไม่บอกว่าเป็นเป็นใครแต่ว่าเห็นครึ่งท่อนก็เป็นเห็นขอบอันดเวลแล้วก็เห็นช่วงสะดือ น, นิดนึงเป็นรูปเซ็กซี่ะฮะก็เอ คนก็จับตามองกันปรากฏว่าโปสเตอร์ที่แปะ่ตามแผงเทมนั้นโดนขโมยฮะโดนดึงไม่เหลือก็ทางค่ายคิตาพออัลบั้งวางแผนเขาก็เอาโปสเตอร์อันใหม่มาคราวนี้เป็นรูปเต็มตัวที่รูปเพียนนที่ยืนแล้วก็เห็นขอบอันดเวลเหมือนกันแล้วก็ดึงกางเกงยีนลงแล้วก็ใส่เสื้อเอลรอยจำได้ว่าหายเหมือนกันฮะก็คือโดนคนไปขโมยรูปอันนั้นนี่ผมตอนนี้ยังเหลืออยู่แผ่นหนึ่งที่บ้าน จำได้ว่าช่างภาพเป็นพี่เซียนนพดลโชตศิรินะครับเป็นรูปที่คือฮามากๆแล้วก็ตอนผมไปซื้อเทปเนี่ยก็ขอโพสเซอร์เข้ามาเหมือนกันวันแรกที่บอกวันที่ห้ากันายายนผมไปเลิกเรียนปุ๊บรีบไปที่สะพันควายาไปนั่งรอตรงยี่ปัวที่เขารับเทปมาเพื่อเพื่อจะเอ า, เอามาจำหน่ายเนี่ย จำได้ว่าพอเทปมาถึงเนี่ยยังไม่ทันแกะกล่องเราก็หยิบมาก่อนเราสาม้วนแล้วขอโปสเตอร์เขาเออ <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็ง ง, งงนะว่าเอ๊ะ ย, ยังไงคือ <c oughs> จะเอาโปสเตอร์หรือจะเอาเทปะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นออบรรยากาศของการออย้อนไปสู่วันที่เราวันที่เรายังมีเทปเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนข้างตัวไปไหนมาไหนออทุกครั้งที่เรารู้ว่าศิลปิน ที่เรารอคอยกำลังจะออกเทปเนี่ยก็จะไปใจจดใจจ่อแล้วไม่ค่อยอย่างสมมุติจะไปเรียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยใจไม่อยู่กันในกระตัวแล้จะ ต, ต้องเอ๊ะเทปมาหรือยังเทปมาหรือยังคือสมัยนะั้นถ้าเกิดเนี่ยจะมีการอวดกับเพื่อนว่าเอ๊ะใครซื้อได้ก่อนคนนั้นชนะใครซื้อได้ก่อนคนนั้นเก่งแล้ววันลุ่งขึ้นถ้าเกิดเอ่อได้เทปมอนนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาเขามาแบ่งกันดูหรือบางครั้ง เ, เราอาจจะชอบเพลงนี้เพลงเดียว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 ตลาดนัดกลางคืนตลาดรถไฟอะไรเงี้ยมีนะฮะบางร้านก็คือแต่ว่าอันราคาเทปมันกออ็อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่า อ, อย่างที่บอกก็คือ d e m a n s u p p l y มันคงมั น, ม, นมันไม่สมดุลกันนะฮะคือถ้าคนต้องการมากขึ้นแต่ว่าเทปเนี่ยมัน ม, ม, มีมีวันเสื่อมสภาพลงใช่ไหมฮะก็มันหายากขึ้นเทป บ, บางม้วนก็เลยมีราคาแพงบางม้วนราคาห6000ก็มีนะฮะ ไม่น่าเชื่อจริงๆมีการประมูลมีการวางขายการฝากขายกันในเพจใน i อถ้าใครต้องการใครอยากสัมผัสไม่ขาดเก่าๆลองไปเดินดูได้นะครับที่ตลาดพันิทิพย์งามวนชั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น7ชั้น8มีหลายร้านนะฮะที่ขายเทปมือ2ถ้าฟลุ๊กๆบางทีอาจจะเจอเทปซิลคือเทปมือ1ที่เขายังไม่ได้แกะ แต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้กว่าปกตินิดนึงนะฮะครับเอาละครับวันนี้ก็มีการย้อนลำเล็กถึงบรรยากาศของการวางแผงวันแรกของขอ ง, ของเทปเพลงที่เรารอคอยกันแล้วนะฮะก็คิดว่าหลายๆคนคงอยากอยากสัมผัสบรรยากาศดีบ้างผมแนะนำให้อย่างที่บอกครับไปลองฟังลองซื้อลองเลือกหาเดินดูได้ฮะที่ ร้านตลาดเทปมือ2ที่ผมบอกไปครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมชอบลิ์ ร, รุณนทั์ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักบายตุยตุยตินติ น, ตนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี 89.5MHz แล้วก็ขอฝากอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจตุยตย ต, ตินตินและ